เมื่อพิจารณาตามโพทธิพจน์ที่แสดงนิพพานท่าสองอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวถึงนิพพานโดยการบรรยายอาการหรือลักษณะแห่งการเกี่ยวข้องกับนิพพานคือกล่าวถึงนิพพานเท่าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้บรรลุพูดอีกอย่างหนึ่งว่าใช้บุคคลผู้บรรลุนิพพานเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานไม่ใช่เป็นการบรรยายภาวะของนิพพานล้นล้วนโดยตรง ทั้งนี้เพราะภาวะของนิพพานเองแท้ๆเป็นสันทิติกะอันผู้บรรลุจะเห็นได้เองและเป็นปัจจตังเวทิตพังวินยูหิอันวินยูชนรู้ได้เฉพาะที่ตัวเองดังได้กล่าวแล้วข้างต้นโด ย, น, ยนัยนี้การอธิบายโดยแบ่งนิพพานเป็นสองอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างหรือล้าลึกไปกว่าที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นในบทที่หก ตอนที่ว่าด้วยภาวะของนิพพานและภาวะของผู้บรรลุนิพพานอย่างไรก็ตามก่อนจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปอีกขอย้ำความที่พระอัตฐกถาจารย์กล่าวไว้ที่ว่าโดยปรมาทิต์คือความหมายสูงสุดหรือความหมายที่แท้จริงนิพพานไม่มีการแบ่งประเภทแต่ที่แบ่งเป็นสองนั้นก็เป็นการแบ่งโดยปริยายเท่านั้น และถึ่งเข้าใจความหมายของคำสำคัญสามคำต่อไปนี้ก่อนคือคำว่าเวทยยตะอนัพพินันทิตะและทิฏฐธรรมิกะหนึ่งคำว่าเวทยยตะมาจากรากศัพท์เดียวกับเวทนาและใช้แทนเวทนาบ้างในบางคราวแปลว่าการเสวยอารมณ์ก็ได้ในที่นี้มีรูปพระหูพ์เป็นเวทยิตานี้ จึงควรแปลว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ได้เสวยแล้วเทียบได้กับคำที่ใช้กันในบัตรนี้ว่าประสบการณ์ทั้งหลาย 2. คํคำว่าอนะพินันทิตะเป็นคำวิเศษขยายเวทียิตะมาจากอภินันทิตะซึ่งแปลว่าเพลิดเพลินหรือชื่นชมในที่นี้แปลว่าติดใจพัวพันหมายถึงคลอเคลียรหรือเคล้าด้วยตัณหา ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบคือไม่ว่าจะในทางยินดีหรือยินร้ายชอบใจหรือขัดใจก็ตามดังจะเห็นได้ในพุทธพจน์ ท, ที่จะยกมาให้พิจารณาข้างหน้าเติมณนะปฏิเสธเข้าข้างหน้าเป็นอนะพินันทิตต์แปลว่าไม่ติดใจผัวพันหมายความว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ได้เสวยหรือประสบการณ์ หรือเวทีิตั้งหลายเหล่านั้นมิได้ถูกคลอเคลียด้วยตัณหาคือผ่านการรับรู้เข้ามาแล้วก็อยู่ในสภาพบริสุทธิ์แล้วก็ผ่านโล่งปลอดโปร่งไปไม่ติดค้างข้องขัดคาใจพร่ำนึกพร่ำคิดเพราะจิตของผู้สวยอารมณ์ไม่ถูกบังคับหรือครอบงำให้โปรงแต่งบิดเบือนหรือหันเห อ, อารมณ์ไปตามอานาจของราคะโทสะหรือโมหะ 3. คําว่าทิฏฐธรรมิกะ แปลตามจับว่าเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นของที่เห็นกันได้หรือเห็นเห็นกันอยู่แล้วว่าโดยการหมายถึงเป็นไปในปัจจุบันมีในปัจจุบันทันตาเห็นหรือชาตินี้ชีวิตนี้ว่าโดยสถานะหมายถึงของธรรมดาสามัญด้านวัตถุเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรื่องชั้นนอกหรือขั้นต้นๆมักมาคู่กับสัมปรายิกะ ซึ่งแปลาตามศัพท์ว่าซึ่งจะถึงต่อจากนั้นไปหรือเลยจากนั้นไปว่าโดยการหมายถึงเป็นไปในเบื้องหน้ามีในภายหน้าพ้นจากชีวิตนี้ไปหรือโลกหน้าว่าโดยสถานะหมายถึงระดับที่เกินหรือเลยจากธรรมดาสามัญสิ่งที่ล้าลึกกว่าทิฏฐธรรมิกะด้านจิตใจเลยจากชีวิตประจำวันเรื่องชั้นใน หรือขั้นสูงขึ้นไป